นโมตัสสะพะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอระระหะโตสัมม า, า, าสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสามิอพิธีตอกกถินในฝ่ายของคารว ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแม้จะเป็นพิธีที่สั้นนะแม้จะเป็นพิธีที่สั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอาี่สงมากที่เหนืนที่สงมาก เพาะเหตุผลหลักการก็อะรก็คือว่าเป็นสังฆทานที่พิเศษนะคือปกติเนี่ยการถวายสังฆทานเนี่ยก็มีอนิสงส์มากมากกว่าการถวายทานปกติถวายสังฆทานเนี่ยก็มัก็คือทานที่ถวายแก่สงฆ์สองนี้คือทานแก่ศีรูปขึ้นไป เช่นจะถวายให้กับพระทั้งวัดก็ได้หรือให้แต่พระเป็นคณะก็ได้ผู้เจ้าจัดว่าสังฆทานเนี่ยนันมีอนิสงส์เป็นเลิศกว่าทานที่ถวายแบบจอดจงถวายแบบจอดจงนีธธ่เราสาติบุคคลิสตานจะจอดจงหลวงพ่อจอดจงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา เพราะเชื่อว่าท่านเป็นพริยเจ้าก็ยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการถวายกระสงแต่ครันนี้เนี่ยทานที่ถอยวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สังฆทานธรรมดายังมีอีกชื่อหนึงว่าการละทานการละทานก็คือว่าทานที่ถวาย ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งคือไม่ใช่ว่าถวายทั่วไปสังฆทานเนี่ยจะถวายวันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่มีการจำกัดการแต่กฐินเนี่ยหรือกฐินนาทานเนี่ยเขาจำกัดการก็คือว่าภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาไปสุดที่วันรอยกระทง ไม่ใช่ว่าจะถวายกระถินได้ตลอดปีนะสังฆทานนี่เราทําได้ตลอดปีแต่ว่ากระถินนทานเนี่ยทําได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแหละนะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เหตุผลสําคัญนะที่สุดที่ทําให้การอทอดกรถินหรือกระถิ่นนัตทานเนี่ยเป็นทางที่อ น, นิสงส์มากกว่าสังฆทานโดยทั่วไปเหตุผลสําคัญก็คือว่า เป็นสังฆทานที่มุ่งเชิดชูส่งเสริมความสามัคคีทั้งสามัคคีในหมู่สงฆ์แล้วก็สามัคคีในหมู่คารวะญาติโยมที่พูดเช น, นิี้ก็เพราะว่าการที่กตินฑานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ มันต้องอาสัยความพร้อมเพรียงกันของหมู่สง์เป็นเบื้องต้นก็คือว่าจมพรรษาครบสามเดือนด้วยความสมัคคีความสมัคีนั้นแสดงออกอย่างไรก็แสดงออกด้วยการที่คณะสงฆ์เนี่ยพร้อมใจกันมอบผ้าที่โยมถวายนี่แ ให้กับพิษสูรูุใดรุ่นหนึ่งปกติวเวลาเราถวายสังฆทานนะเราถวายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เราก็ถวายกับสงฆ์ถวายกับวัดแล้วทางวัดก็ไปแจกจ่ายกันแต่ว่าสตินทานมีพิเศษนะก็คือว่าพวกเราคือแ็่เจ้าภาพเนี่ย ถวายผ้ากับสงนะแล้วสงก็ลงมตินะมีฉันทานุบัตรว่าจะมอบผ้ากฐินเนี่ยให้จับพิสุรูปใดแล้ะต้องเป็นเอกฉันด้วยนะอย่างที่โยมก็สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะว่าการที่พันนิ่งเนี่ย พิรนิ่งโด ย, ยดุจเสนียภาพเนี่ยนะแปลว่าอนุวัตเห็นชอบแล้วที่จะยกภาพยู่นี้นให้กัท่นนบถ้ามีเสียงค้านก็เป็นอันตกแล้วก็ถินก็ดอกไปเลยนะทำไม่ได้าการที่พระทั้งวันเนี่ยจะมีมติเอกฉันเนี่ย ว่าจะยกพระยกภาเนี่ยให้รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยความสมัครในะเพราะถ้ามีความขัดแยง้งมีการทะเาะวิวาท ก, กันก็คงตกลงกันไม่ได้ตอนนี้พอพระมีความสมัครใกัแล้วเนี่ยญาติโยมก็ร่วมอนทุโมทชนาน การทอดกระถินก็เลยเกิดขึ้นได้วัดไหนเนี่ยอยากจะให้มีการทอดกระถินนะก็ต้องสามัคคีกันนะถ้าไม่สามัคคีกันก็กระถินก็เกิดขึ้นไม่ได้ไี่ว่าโดยโดยหลักการนะอันนี้ประเพณีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีในหมู่สงฆ์อันนี้พอได้ผ้ามาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผ้าเป็นผืนะ ไม่ได้เป็นจีวรสำเร็จรูปผ้าดป็ถผงก็ต้องเอาไปเอาไปตัดนะเอาไปเย็บนะแล้วก็าอาจจไปย้อมด้วยทั้งหมดนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้นะหรือพรายเสร็จภายในคืนนี้ อันนี้คือทำเมียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันจะตัดเป็นจีวรเป็นสบงหรือเป็นสังฆาฏิก็าตามต้องช่วยกันในสายพุทธการใน้แต่พวกทธเจ้าก็มาช่วยด้วยนะถ้ากฐินนี่ไม่ได้ถวายพุทธเจ้านะถวายกับพระที่ท่านมีศีล า, ารวาสดีแล้วก็มีจีวรเก่าท่ำมพระ ภรษาอาจจะไม่มากถวายท่านแล้วเนี่ยพระทั้งวัดก็ต้องช่วยกั น, นะจะไปหลีกเล้นนะละเลยเพิกเฉยไม่ได้พอแม้แต่พติเจ้าก็ยังสเสด็จมาช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นการตอบย้ำเพิ่งทูนความสามัคคีของหมู่สงฆ์แต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ากระถินเนี่ยนะไม่ใช่เป็น พิธกรรมที่ส่งเสริมสา ม, มัคคีในหมู่พระเท่านั้นนะยังส่งเสริมสา ม, มัคคีในหมู่คารวา่าด้วยอย่างญาติโยมนะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยกว่าจะเตรียมการมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความพักพร้อมกันรวนทั้งความเสียสละด้วยพิธีกรรม พ้อกตินอาจจะสั้นไม่ถึงห้านาทีในฝ่ายพาราวาสแต่ว่าการเตียงการนี่ยาวนานสมัยก่อนนี่ต้องเตียงตั้งแต่ทอผ้าเลยนะทอผ้าหรือเตียงตั้งแต่ปันได้เลยเตียงมาตั้งแต่ปันไ ด, ด้พอมีได้ก็มาทอบางแห่งนี่ก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนะด้วยตัวกติ แต่ถึงแม่ไม่ทำขนาดนั้นเนี่ยทุกวันนี้มีภาพสำเร็จรูป ก, การเตรียมการก็ยังต้องใช้ความสมัคีพักพร้อมกันมีการแจกจ่ายซองผ้าป่าซองกระถิน ม, มีการตัดเตรียมเรื่องปัจจัยหรือบริวารที่จะมาถวายกับสงฆ์รวมทั้งการนัดแนให้พร้อมเพียงเพื่อเดินทาง ม, มาถึง น, นี่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไทยต้องเตรียมการเรื่องเครื่องดื่มอาหารโรงทานอันนี้ก็เป็นการเตรียมการในฝ่ายาชุมชนเจ้าของสถานที่สมัยก่อนเนี่ยการเข้าพระปาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้คนจากฐานต่างถิง่นต่างแดนได้มาพบปะ ก, กันมีจะพุดหมายโดยการคืนมาทําบุญ แล้วก็ได้มาพบกันอย่างที่นี่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็มีคนจากหลายถิ่นหลายที่นะจากกรุงเทพจังหวัดใจ้เทียงจากหลายจังหวัดในอีสานะหลายอําเภอในชัยภูมิก็มามาร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมถวายอาหารมาทํำรงทานนะมาถวายน้ำหรือมาร่วมถวายเป็นเงินหรือบริวาร เมื่อมาเจอพร้อมกันนะก็เกิดความรู้จักมากคุ้นมันก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีกันด้วยอันนี้ถามว่าสามัคคีมันสำคัญอย่างไรนะความสามัคคีสำคัญก็คือว่าทำให้เกิดความสุขนะอันนี้เราองนึกภาพออกนะม้แต่ในครอบครัวเนี่ยถ้าไม่รู้รักสามัคคีกันนี่นะก็อยู่ร้อนนอนทุกนะเห็นหน้ากันก็ เกิดความขุ่นเคืองขัดข้องนะี๋ยวว่าและแม้แต่ในในครอบครัวกันมีความสมัครีกันแต่ว่าข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านที่ติดกันมีเรื่องทะเลาะเ บ, บาแหวงกันต่างคนต่างเขายิงไม่เป็นสุขหลายคนก็ย้ายบ้านย้ายบ้านเพราะว่ามีเรื่องขัดแย้งกับคนข้างบ้าน มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่ติดกใจนะเห็นหน้ากันแล้วก็ติดใจหม่นหมองหรือว่าขัดเคืองย้ายดีกว่าอันนี้ก็เป็นโทษของความไม่สามัคคนะีแต่ถ้าทําตรงข้ามคือมีความสามัคคีบ้านก็เป็นบ้านสงบเย็นนะชุมชนก็เข้มแข็งผู้คนอยู่กันด้วยความผาสุขอละนี้ความสามัคคีก็ยังมีส่วนช่วยสําคัญก็คือทําให้ เกิดความร่วมมือเกิดกำลังในการทำความดีจะทำความดีต้องอาศัยความสมัคคีน ะ, ะตัวอย่างง่ายๆเนี่ยพอตถินเนี่ยเป็นงานใหญ่นะก็ต้องอาศัยความสมัคคีจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะก็ต้องอาศัยความสมัคคีจะปลูกปา่านะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากนะก็ต้องอาศัยความสมัคคี ถ้าทำความดีถ้าไม่มีความสมัครใแล้วเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จและที่พุทธศาสนาเนี่ยยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้2600กว่าปีก็เพราะความสมัครใความสมัครใในหมู่สงฆ์และความสมัครใที่แผ่ขยายไปสู่พุทธบริษัททั้ง4ร่วมกันคนละไม้คนลมือช่วยกันอุปถัมภ์บำรุง พรศาสนาก็ทำให้ศาสนาอยู่ได้พุทธศาสนาย่างยืนมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าตัวบุคคล น, นั้นเนี่ยก็มีอายุสั้นนะไม่เกินร2 0ยิปีก็ต้องตายแต่ที่วัดยังอยู่ได้เป็นร้อปีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ได้เป็นร้อยปีบางทีเป็นพันปี ศนะาสนาพุทธอยู่ได้มาจนพันสองพัหกกว่าปีเนี่ยก็เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันนะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความสมัคคีมากจนะึงมีปร ะ, ประเพณีเท่ากฐิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม อันนี้ความสมัครใจจะเกิดขึ้นได้จากอะไรนะอย่างแรกคือการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งแสดงออกด้วยการให้ทานมันมีธรรมะหมวดหนึ่งที่ชื่อว่าสังคาวัตถุหรือเราเรียกเต็นชื่อว่าสังขาวัตถุนะสถี่สังขาวัตถุสังหาก็คือสังเคราะห์สังเคราะห์คือประสานธรรมะที่เป็นเครื่องที่เหนือน้ำใจ นะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้สามัคคีกันข้อแรกเลยนะก็คือทานนะคือการใหนะ้การให้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนียวน้ำใจผูกจิตผูกมิตรภาพให้เกิดมีขึ้นนะมิตรภาพเกิดขึ้นได้เนี่ยหรือว่ายั่งยืนได้ก็เพราะความเอื้อเฟื้อการมีน้ำใจนะมีอะไรก็แบ่งปัน และการแบ่งปันหรือกาให้ทานเนี่ยไม่เคียงแต่ทำให้มิตรภาพ ย, ายั่งยืนจะยั่งทำให้มิตรภาพเกิดขึ้นได้คนที่ไม่รู้จักกันนะพอมีการให้อาจจะเริ่มต้นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็เกิดความสามัคคีเกิดมิตรภาพขึ้นมาแต่ว่าแต่คนที่ แปกหน้าเลยนะแม้แต่คนที่ขัดแย้งกันคนที่กินแหนกแข่งใจกันถ้าเริ่มต้นด้วยการให้ฐานนะมันก็จะเกิดมิตรภาพขึ้นมาได้มีเรื่องเล่าว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะเจ้าของบ้านมีความทุกข์มากเลยเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขากาลังก่อสร้างและคนงานก่อสร้างนี่ก็ ไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่เวลากินอะไรเศษขนมหรือว่าขยะก็โยนลงมานะจากชั้นที่กำลังก่อสร้างห่นะอขนมขยะเนี่ยมันก็ตกมาที่สนามหญ้าของบ้านนี้แหละเจ้าของบ้านก็ไม่พอใจนะ ก็ไปต่อว่าคนงานก่อสร้างนะทิแรกก็ไปไปฟ้องผู้รับเหมาแต่พอไม่ได้ผลก็ไปต่อว่าคนงานก่อสร้าง mm hmm. ก็ไม่ได้ผล น, นะแถมยัาทำให้เกิดความขุ่นเคืองใจ mm hmm. เศษขยะผอบขนมเนี่ยแทนที่จะลดลงกลับเพิ่มภากขึ้น เจ้าของบ้านก็คิดว่าจะต้องฟ้องตำรวจลให้ตำรวจมาจัดการมีวันหนึ่งก็พูดคุยเรื่องนี้นะกับเพื่อนเพื่อนเขาแนะนำว่าทำไมไม่ลองอีกวิธีหนึ่งละ่ะก็คือว่าเวลาสงกรานต์นะเวลามีงานเทศกาลอะไรทีใหม่นะหรือถึงไม่มีเทศกาลอะไรเนะี่ยมีขนมมีของก็เอาไปให้ไปไปแบ่ง ให้กับคนงานก่อสร้างนะทีแรกคนนี้จกก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะจกก็ทำตามคำแนะนำนะพอปีใหม่ก็เอาขนมเอาผลไม้ไปให้กับคนงานก่อสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ารอยยิ้มนะรอยยิ้มที่ได้รับจากคนงานก่อสร้างและตอนหลังก็เริ่มมีการทักทายกัน นะบางทีเจอกันที่ปากซอยก็ออกพูดคุยกันนะเพราะทำงี้อยู่สักพักหนึ่งนะอบอกว่าในที่สุด น, นะเอกะยะหรือว่าห่อขนมที่เคยถูกทิ้งลงมานะแล้วก็มากองอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านของคนนั้นเนี่ยก็าหายไปทนะำไมจึงหายไปนะเพราะว่า คนงานก่อสร้างเนี่ยเขารู้สึกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นนี่กับเขาคือความเป็นเพื่อนมันเกิดขึ้นคนไทยเลยนะพอความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นแล้วนะก็เก่งใจนะเก่งใจกันนะไอ้ที่เคยโยนขยะลงมาเศษผ ล, ลไม้อะเปลือผ ล, ลไม้หรือว่าขอขนมเนี่ยก็หายไปแต่ก่อนที่จะแกล้งนะก็ไม่ทำแล้วเพราะเพื่อนกัน คนเราเพื่อนกันจะทํากันได้ยังไงนะอันนี้ก็เรียกว่าความสมคัครใและมิตรภาพเกิดขึ้ น, นจากการให้ทานนะทานนี่มันไม่ใช่ว่าให้คนยากคนจนหรือขอทานหรือถวอยกับพระเท่านั้นนะไอ้ที่ควรให้ไม่น้อยคือเคลื่อนบ้านนี่แหละเพราะไม่ทําให้เกิดมิตรภาพและถ้าให้ทั่วถึงนะก็เกิดความสมคัคคีเดี๋ยวว่าแต่คนไทยเลยนะฝรั่งเนี่ยนะก็เหมือนกันนะ ให้ความเี็ดช่างความขุ่นเชืมมันก็พ่ายแพ้ต่อน้ำใจแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าคารอาตอมาเคยไปวัดไทยแห่งหนึ่งในอเมริกานะวัดนี้อยู่ในเมืองเบิร์กลีย์เบิร์กลีย์นี่ก็อยู่ ใ, ใกล้ซานฟรานซิสโกวัดของวัดไทยเนี่ยนะในเมืองนอกไม่เหมือนกับวัดไทยในเมืองไทยนะวัดไทยเมืองไทยมีอนาบริเวณกว้างขวางนะแต่วัดไทยหลายแห่งในอเมริกาเนี่ยก็คือตึกนั่นแหละ แต่เรียกว่าตึกแถวก็ไม่ถูกนะแต่ว่าก็เป็นตึกที่อยู่ในย่านชุมชนะเนื้อที่ก็ประมาณไม่ถึงไรนะ่ะบางทีก็แค่ครึ่งไร่เท่านั้นแนหะก็เรียกเป็นวัดแล้วนะอาณาบริเวณไม่มีมากมีตึกนะพระก็อยู่ในตึกนะนะั่นแหละวัดไทยในเะบิร์กเลนนี่ก็อยู่ปากคนกับชุมชนะของชาวอเมริกันวัดไทยมีที่ไหนเนี่ยนะคนไทยก็นิยมไป นะมีเพราะว่าวัดไทยี่ก็มีเทศกาลงานต่างๆสาวัติศิษย์ก็มีเลี้ยงนะวันปีใหม่สงกรานต์มาฆ่าวิสาขาก็มีกิจกรรมญาติโยมก็มาวัดผลก็เกิดขึ้นคนที่เกิดขึ้นคือรถติดนะรถติดคนในชุมชนก็ไม่พอใจถ้ามีเสียงดังหนินะบางทีมีเสียงเพลงนะวันสงกรานต์วันปีใหม่คนในชุมชนเนี่ยซึ่งส่วเป็นอเมริกันก็เริ่ม กนะ่อกระแสมีการรวบรวมรายชื่อนะเตรียมรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะฟ้องร้องต่อเทศบาลนะเพื่อให้วัดภายในราการนี้ย้ายไปที่อื่นนะก็ว่าก็ร้อนใจนะเพราะว่าถ้าหาว่าถูกชุมคนขัดไล่มันก็ไม่ดีนะที่ตั้งวัดมันก็ไม่หาง่ายๆในในกลกรุงอย่างเบิกเล่ ก็บังเอิญมีช่วงช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์เนี่ยก็ไปที่วัดไทยที่เบิร์กลีย์เจ้าอาวาสปรึกษาอาจารย์สุรักษ์ก็แนะนําว่าเวลาทางวัดมีงานเลี้ยงที่จริงก็มีเลี้ยมีเลี้ยงทุกวันอทิตย์เสาร์อาทิตย์ยนี่นะก็เชิญเชิญคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมด้วยมาร่วมกินนะกินฟรีเลยนะยิ่งมีปีใหม่สงกรานเนี่ยเชิญเข้ามาเลยนะทั้งชุมชนเนี่ย มากินอาหารไทยกินฟรีนะอาหารไทยนี่ฝรั่งนี่รู้จักดีอยู่แล้วเจ้าว่าก็เชื่อนะทำตามก็เชิญชาวชุมชนชาวโดยกัรในระแวกนั้นะมากินฟรีก็มากันนะผลที่เกิดขึ้นคือว่าทุกทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มรู้สึกผูกพันกับวัดไทยนะแล้วก็สูว่าออวัดไทยนี่ดีนะมาอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมันทําให้มีสีสันนะไอ กระแสะกอวที่จะมาขับไล่วัดไทยออกจากพื้นที่ก็หายไปแล้วทุกวันนี้ก็อยู่เป็นอย่างสงบสุขนะอันนี้ก็เรียกว่าทานเหมือนกันนะทานเนี่ยเป็นเป็นเครื่องประสานน้ําใจนะทําให้เกิดมิตรภาพทำใเกิดควาสมสามัคคนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องทานนี่เราอย่าไปมองข้ามนะแต่ว่าจะต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะขัดกลาวกีเล็ก่อนจนะไปคิดหวังผลว่าเออเราเราให้ทานเพื่อจะได้ ทําให้เขามาสํานึกในบุญคุณของเรานะจะไปคิดอย่างนั้นเริ่มต้นจากการที่ตั้งใจที่จะลดความตนมีแล้วอยากจะเอื้อเพื่อแผ่อยากจะช่วยเขาถ้าเราเริ่มต้นด้วยใจหรือเจตนาที่บริสุทธิ์แบบนี้เจตนาที่เป็นเมตตานเนี่ยมันก็เกิดความสมัครคีได้อนนี้เราจับทานแล้วเนี่ยนะพิยะวาจานะก็คือคําพูดที่อ่อนโยนคําพูดที่สุภาพ รวมถึงคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีนะอิรยาบาไม่แปลว่าจะต้องเป็นพูดไพเราะแบบแบบถูกกตามมารยาทยาเดิยๆนะมันเป็นเรื่องของใจด้วยนะออกมาจากใจที่มีเมตตาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมนะและประการที่สามคือว่าอาัคคเริยาคือความเ อ, อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะ อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะมันก็เป็นทานแบบนึงแต่ว่าแทนที่จะให้เป็นเป็นเงินหรือสิ่งของก็ให้อน้าพักน้ําแรงความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยนะในหมู่เพื่อนบ้านเนี่ยมันให้ความมั่นคงปลอดภัยกับคนในชุมชนยิ่งกว่ากําแพงหรือว่ากล้องมวงอรปิดซินะมีกล้องนะมีกล้องที่ที่ดี เต็ไมไปหมดเป็นพื้นที่มีหลังคาอามีกําแพงที่แน่นหนามันก็ไม่ช่วยป้องกันจนผู้ร้ายได้ดีเท่ากับชุมชนเพื่อนบ้านที่มีความรักความสามัคคีเพราะว่าเพือนบ้านที่มีความรักความสามัคคีก็จะคอยเป็นหูเป็นตาบางทีอยู่ขยันสงบสุขจกักระทั่งไม่ต้องปิดประตูบ้านเลยไม่ต้องล็อกกุญแจเลยก็ได้ ประเทศแคนาดาเนี่ยนะมีมีคนไทยนเนี่ยไปเรียนที่ประเทศแคนาดาแล้วก็มามาที่วัดมาทําบุญที่วัดอาตมาก็ซักถามมาจริงมไม้ที่คนแคนาดาเนี่ยในเมืองใหญ่ใหญเนี่ยบ้านนี่เขาไม่ล็อกประตูบ้านนี่เขาไม่ล็อกนะเปิดเข้าไปได้เลยนะเปิดเข้าไปได้เลยบางทีเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ด้วยหรือถึงแม้เจ้าของบ้านอยู่เขาก็ไม่ล็อกประตูนะ กำแพงเขก็ไม่มีแถมประตูบ้านก็ไม่ล็อกนักศึกษาไทยเขาบอกจินนะเคลตมาพูดนี่พราเคยได้ดูสารคดีของไม้หม้อแล้วที่เขาบอกว่าในคานาดานี่บ้านนี่ก็ไม่ล็อกเลย mm hmm. กลางวันแสงแสงนะก็ไม่ล็อกเพราะอะไรเพราะว่าชุมชนเขาอยู่กันแบบมีความสามัครใกันดันะนั้นตำรวจโจรจะมาหรือคนแปลกหน้าจะมายุ่งยามอะไรเนี่ยนะ ก็คอยเป็นหูเป็นตากันอันนี้ก็มีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะอจริยาแล้วก็สุดท้ายคือสมานัตตานะก็คือความร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมอบาเสมอไหลหรือว่าความไม่ถือเนื้อถตัวนะอันนี้มันก็จะนําไปสู่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะไม่ใช่วัตรทานเพรานมันกจะเป็นบุญนะ ภิยวาจาอัตจริยาสมนานัตตาก็เป็นบุญเหมือนกันนะอันนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่หายใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็ควรจะเข้าใจนะเรื่องบุญให้ดีนะแม้แต่เวลาเรามาทลอดตถินเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถวายเงินนะ เพียงแค่เราโนุโมทนาเนี่ยเราก็ได้บุญนะหลังจากพระเนี่ยให้พอแล้วเนี่ยนะจะมีบทสวดบทหนึ่งนะชื่อว่ากาเลเริ่มต้นนีาว่ากาเลนะบทเนี่ยสวดเฉพาะตอนกระถิ่นครั้นแหละกาเลเนี่ยก็คือการลทานจะมีข้อความมึงบอกว่านะผู้ที่ นะอนุโมทนาในบุญหรือมีส่วนขวนขวายในการทำบุญคุณนะนั้นย่อมมีย่อมได้รับส่วนบุญด้วยนะอันนี้จะพูดออ่างว่าเนี่ยกายเลขาทานติเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยประโยช์ที่ว่าเนี่ยผู้มีปัญญาและปะะา่าสจากความตนีย่อมให้ทานหรือถวายทานตามการนะ และเมื่อมีจิตใจเรื่อมสายศรัทธาทักษินาธาร น, นั้นก็มีผลภัยบุญแล้วก็จะเริ่มต้นอีกประโยชน์ที่ว่าเนี่ยส่วนชนลาใดเนี่ยนะร่วมอนุโมทนาบุญนั้นหมายความว่าคือไม่ได้ถวายนะแต่ร่วมอนุโมทนานเนี่ยหรือมีส่วนขนขวายในบุญนั้นก็คือว่าช่วยช่วยจัดที่พักช่วยทําช่วยจัดสถานที่ช่วยปัดกวาด นะล้างช่วยล้างจานสนะารพัดที่มีส่วนในงานบุญเนี่ยก็ได้รับส่วนบุญนั้นด้วยนะอย่าไปเข้าใจว่ า, าเฉพาะคนที่เป็นเจ้าภาพจึงจะได้บุญเท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าคนที่บริจาคเงินถวายเงินจึงจะได้บุญเท่านั้นแม้ไม่มีเงินแต่ร่วมอนุโมทนาด้วยก็ได้บุญแม้ไม่ได้บริจาคเงินถวายเงินแต่ว่าช่วยนะ มีส่วนในการจัดงานนี้ในการเตรยียมงานนี้ก็ได้บุญหรือว่างานเสร็จแล้วนะช่วยปัดกวาดนะเก็บสถานที่ล้างจานเก็บขยะอันนี้ก็ได้บุญเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่ใจนะบุญเนี่ยไม่อยู่ที่เงินนะแม้แต่เวลาถวายผ้าเนี่ยเคยมีคนถามเคยสงสัยว่า ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเวลาจะทอดผ้าเวลาจะถวายผ้าเนี่ยเขาก็ให้สามีเป็นคนทอดเป็นคนถวายผ้านะที่จริงผู้หญิงก็ถวายได้นะตอนนีเน้เขาเองเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าเวลาถวายเนี่ยถวายผ้าเนี่ยเขาให้สามีเป็นคนถวายเพราะเขาคืด่อเป็นผู้หญิงเนี่ยนะนะได้สะดวกที่จะถวายแล้วก็ถามว่าหญิยงยนี้จะได้บุญไหม ก็ต่อว่าได้บุญอยู่แล้วนะเพราะว่าการบุญจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ิดว่าเป็นคนถวายด้วยมือหรือเปล่านะไม่ถวายด้วยมือแต่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นหัวเรื่หัวแรงนะในการจัดเนี่ยได้บุญเต็มที่เลยนะเดีย๋ยวว่าแต่เป็นเจ้ากี้เจ้าการเลยนะอย่างที่บอกนั้นแห้ไม่ได้ถวายเงินเลยนะแค่ร่วมอนุมโมทนาด้วยอนุมโมทนาแต่ว่ายินดีในความดีทีู่้ได้ทำ ก็ได้บุญแล้วเพราะาสิ่งสําคัญในบุญอยู่ที่ใจนะอนุโมทนาแล้วใจเรามีความสุขใจเราก็เป็นบุญละนะเราเป็นเราร่วมจัดงานนี้นะถึงแม้ไม่ได้ถวายผ้านะแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ได้ช่วย อ, อุปถัมภ์พระสงฆ์นะช่วยสง่สงเสริมความสมรคีในหมู่สงฆ์งนี้ก็ได้บุญละนะนั่นคือว่าบุญเนี่ยนะให้เข้าใจว่ามันทําได้หลายทาง นะไม่ใช่แค่ถวายทานเท่านั้นแล้วกไ็ไม่ต้องถวายด้วยมือนะการรักษาศีลก็ได้บุญการพูดด้วยวาจาที่ไพเราะก็ได้บุญการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็ได้บุญใครทำดีเรานุโมทนาก็ได้บุญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจบุญอย่างถูกต้องเนี่ยนะแล้วระวางใจถูกนะเราก็ได้บุญเต็มที่เลย และที่สำคัญก็คือว่าอตอนที่ร่วมพิธีเนี่ยเช่นเราเป็นเจ้าภาพถวายเนี่ยจิตใจเราก็ต้องของใสด้วยนะก่อนให้จิตใจของใสด้วยเรื่มใ ส, ส่ศรัทธานะให้เสร็จนะใจเบิกบานโอ้นี่ได้บุญมากเลยแต่ถ้าว่าก่อนให้เนี่ยนะจิตใจเราเศร้าหมองมีความวิตกกังวลบางคนก็กังวลว่าปัจจัยที่หามาได้เนี่ยน้อยนะ วัดอื่นเจ้าอื่นนี่เขาถวายกันเป็นล้านนะให้เราหามาได้แค่ไม่กี่หมื่นนะจิตใจก็เศร้าหมองนะอางนี้ได้บุญน้อยนะให้ระลึกว่าเงินจะมากหรือน้อยไม่สำคัญนะขอให้ทำด้วยเรื่องใสศรัทธาเนี่ยอย่างท่อวตมาแปรบทสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะผู้ที่ถวายทานด้วยศรัทธาเรื่องใสาทักษินาทางของคุณนั้น ย่มีผลนัไทยบุญผู้ง่ายคือว่าได้บุญเต็มๆนะถาาว่าทําด้วยจิตใจที่เรื่องใสเงินที่ถวายซึ่งที่จริงเป็นบริวาร น, นะเนงินนี่ไม่ใช่หลักนะผ้านี่คือหลักเงินนี่เขาจะเป็นบริวารไม่ใช่สิ่งสําคัญคําว่าบริวารก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นส่วนประกอบดังนั้นเมื่อปัจจัยเนี่ยได้มาไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอันนั้นไม่สาคัญเลยนะแต่ขอให้ทำด้วยจิตใจที่เรื่องใสศรัทธา นะทักสินาทานนั้นเนี่ยก็ย่อมมีผลนันทพยบุญนะและขณะเดียวกันนะถึงแม้ไม่ได้ถวายนะแต่ว่าจิตใจร่วมอนุโมทนาด้วยนะเสมอมกับว่าเราได้ถวายด้วยตัวเองนะอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันแล้วบุญเนี่ยนะมันก็จะมีประโยชน์นะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ บทส่วนในบทนุบบทอนุโมทนาเนี่ยจะปิดท้ายด้วยคาว่าประโยชน์ที่ว่าปุญญานิโรกัสปาระโรกัสมิงปฏิทานปฏิทานปานินานตุปานินันตินะปุญญานิปาระโรกัสมิงโผติปานินันติกก็แปลว่าเนี่ยบุญเนี่ยที่ทำเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายในเบื้องหน้า เบื้องหน้านี้ฉันใช้ว่าปัลลโลกนะปัลลโร่คือพบหน้านะแต่ที่จริงเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่า น, นั้นนะเบื้องหน้าในที่นี้ถือว่าพอทำแล้วเนี่ยนะไม่ว่ายามไหนเวลาไหนนะก็ย่อมได้รับอนิสงฆ์แห่งบุญนั้นเช่นเวลาเราคิดถึงบุญที่เราได้ทำํำเราก็มีความปราบเพิ่มนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเราเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลผู้อื่นนะเราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยธรรมด้วยปิยวาจาด้วยอัจริยานะ ถึงเวลาเราตกทุกข์ได้ยากถึงเวลาเราลําบากนะก็จะมีผลเอเื้อเฟือเอื้อกูุณเรานะในยามที่เร า, เามีกําลังที่จะทําบุญนะเราจะไม่รู้หรอกว่ า, าสิ่งที่เราทำเนี่ย ม, มันไปสร้างความสร้างความซาบซึ้งให้กับผูดด้ใดบ้างนะ แต่ถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากนะคนที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเราก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะอย่างที่มีเรื่องเล่านะซึ่งตอนหลังก็มีการทำคลิปวิดีโอแพร่หลายเนะี่ยอาตมาก็ได้ได้อ่านได้ดูเหมือนกันนะมันก็เป็นที่มามันมีที่มามาจากเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งนะซึ่งแม่เจ็ดป่วยมากนะ เด็กอายุ12ก็ยากจนไม่มีเงินไม่รู้ว่าจะหายามาให้แม่ได้อย่างไร <_ D> ก็เลยสุดท้ายต้องรักขโมยไปขโมยยาที่ร้านยาบอกว่าถูกจับได้เจ้าของเจ้าของร้านยาจับได้จะเอาเด็กคนนี้เนี่ยไปส่งตำรวจแต่ว่าเจ้าของร้านอาหารก็ไม่ได้ร่ำรวยนักนะ เห็นเหตุการณ์ก็สงสารเด็กถามว่าเด็กทำไมเไเหมนกันเด็กก็บอกแม่ป่วยเจ้าของร้านอาหารนั้นก็เลยยื่นเงินให้กับเจ้าของร้านยาเป็นค่ายาที่เด็กเอาไปแล้วก็ให้อาหารไปด้วยนะให้อาหารไปด้วยบอกไปให้ให้แม่แล้วเรื่องก็จบเท่า น, นั้นนะผ่านไป30ปีเจ้าของร้านอาหารนั้นเนี่ยก็เกิดป่วย ไปโรคหัวใจนะลูกเนี่ยลูกสาวพาไปส่งได้ทันท่วงทีแต่ว่าค่าผ่าตัดเนี่ยนะผ่าเสร็จแล้วนะใช้เงินเยอะมากหลายแสนลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ายากจนไม่มีเงินขนาดนั้นก็เลยไปไปพูดคุยกับหมอหมอที่ผ่าตัดนะเพื่อขอความเห็นใจ แล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ทราบข่าวดีนะว่าอ่าเงินค่ารักษาเนี่ยมีคนจ่ายให้แล้วคนที่จ่ายนั่นคือหมอคนนั้นแหละแล้วหมอบอกว่านะอา่าเงินค่ารักเงินค่ารักษาเนี่ยนะเขาได้เคยผู้ป่วยเนี่ยได้เคยจ่ายมาแล้วเมื่อสามสิบปีก่อนนะเป็นเงินจํานวนนี้นะสามสิบบาทค่า ย, ยาแล้วก็เป็นแล้วก็อาหารอีกพ่อนึง ความจริงก็เปิดเผยมาว่าหมอคนนั้นแหละก็คือเด็กที่ขโมยของเนี่ยเมื่อสามสิบปีก่อนซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านอาหารนะในทิปวีดอนี่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวน ะ, ะบุญที่ทำเนี่ยนะค น, คนที่ที่เจ้าของร้านอาหารที่ทำไปวันนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ผลนะแต่ว่าต้องใช้เวลาสามสิบปีเนี่ยผลมันถึงจะปรากฏ แต่บ่อยครั้งความดีเนี่ยมันให้ผลเร็วกว่านั้ น, นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปห่วงนะอย่าไปกังวลว่าทําความดีแล้วเนี่ยมันสูญเปล่าทําความดีเนี่ยมันย่อมมีผลนะสะท้อนย้อนกลับมาที่เราถึงแม้เราจะไม่ต้องการก็าตามถึงแม้เราจะไม่ได้ปรารถนาที่จะได้ผลนั้นช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าความดีนั้นย่อมส่งผลกลับคืนมาที่ตัวผู้ให้ ในที่สุดนะอันนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยบุญนะที่ทำเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งหลายในเบื้องหน้าและสุดท้า ย, ยถึงเวลาจะตายนะเราลึกถึงบุญเราลึกถึงความดีที่ได้ทาติดใจก็ช่ชืนเบิบานคนจานวนมากเนี่ยเวลาตายแล้วก็รู้สึกหวาดตัวหวาดวิษตกนะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำความดีให้คุ้มค่าเลย แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไปป็นระโลกไปไปอบายนะแต่เมื่อได้ตามที่รูถึงความดีที่ได้ทํานะก็จะอบอุ่นใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นชีวิตที่สูญเปล่ามันเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความดีและพอรู้ถึงความดีแล้วเนี่ยเกิดความมั่นใจนะว่าตายแล้วเนี่ยนะก็ไปสุคติแนะนะ่อย่างที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในธรรมนะ ย่อมไม่กลัวปรโลกต้องมาในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกโคือว่ามั่นมั่นใจว่าไปดีแนะ่เพราะาได้ทาความดีเอาไว้อย่างอย่างมากมายหรือได้ทำบุญบุญกุศลมาโดยตลอดอันนี้แหละคือความหมายของประโยคที่ว่าบุญที่ได้ทำเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้นะมันทาบุญกันไว้นะเจอพอดในช่วงเทศกาลนี้ในช่วงโอกาสนี้เนี่ยนะ พวกเราหลายคนก็มีความเศร้าโศกนะอาลัยเพราะว่าในหลวงได้เสด็จวรคตนะเหมือนขาดที่พึ่งนะในความเศร้าโศกนี่นะถาาว่าเรานะลองเปลี่ยนนะเราเศร้าโศกด้วยความอาลัยถึงในหลวงนะก็ลองนึกถึงความดีของท่านลองนึกถึงน้ําพระทัยของพระองค์ไม่ทาให้เราเกิดความอยากจะทําความดีเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะทำความดีและพอเราลงมือทาความดีนะไม่ว่าในรูปแต่ก็ตามเนี่ยจะเป็นจิตอาสาที่นั่นที่นี่ก็ตามเนี่ยมันได้ช่วยลดช่วยบรรเทาวความเศร้าโศกไปไดนะ้แล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะพูดได้ว่าได้เป็นฝ่าว่าเรานะเป็นประสบมิตรที่ดีของในหลวงเพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยเวลาให้ลุง ร่ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็พยายามทำความดีจะเลยลอยตามพระองค์น่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวก็ตามนะก็ขออนุโมทนานทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันเป็นมาร่วมในงานกติณนะโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนะซึ่งเป็นนิสหายที่เคยเป็นนิสิตเก่าคณะสอนสาศาสตร์ระดมกรมาเลเซียนะแม้นะว่าจะ เคยร่วมชั้นเรียนกันมานานแล้วนะเวลาผ่านไปสามสิสิปีก็ออยังมีความร ะ, ะลึกถึงกันแล้วก็ร่วมกันนะมาทำบุญทำกุศลมาทาความดนะีซึ่งก็คงไม่ใช่มาทอดกระถินที่นี่ที่เดียวนะก็คงจะทำความดีก่อนหน้านี้และจะทำความดีต่างๆนะหลังจากนี้ไปด้วยยเฉพาะที่นี่นี่ นะที่จริงทุกนปะีทุกปีเนี่ยนะก็จะมีหลวงพ่อคำเขียนมาเป็นประธานสงฆนะ์แต่ว่าท่านไม่ได้เป็นประธานสงฆ์มาสาปีแล้วตั้งแต่ปีสองเจ็ดสองหเจ็ดห้าแปดห้า้านะแต่ก็เชื่อว่าพวกเราซึ่งนะได้เคยนะฟังธรรมจากหลวงพ่อหรือได้เคยมาที่นี่ก็ยังคงระลึกนึกถึงท่านนะก็หวังว่าจะนะ ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลนะที่วัดภูเขาทองต่อไปแม้ว่าจะไม่มีท่านอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนะก็ยังคงปรากฏนะที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยนะเกิดความปรารถนาเกิดฉันทะในการที่จะทำความดีนะส่งเสริมอุปถัมภ์สนับสนุ น, นที่นี่ต่อไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาที่มี หลายสุดนี้ขออ้างคุณพระศิรตนาฏไกลตลอดตัวมูลุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญเป็นเพราะปัใจจัยให้มีอายุวันนะสุขาภะละเพื่อเป็นกำลังให้กับพวกเราในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเพื่อนำพาชีวิตติดใจของเราให้ประสบความสุขความเจริญปลอดภัยไกลทูกรก้าวข้าบุษรัคทั้งปวง ไม่เปล่นแต่มีชีวิตที่ราดลื่นแต่ยังเกิดปัญญาที่สามารถนำพาติดใจให้พ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสษมสารมีพระมิพวามเป็นที่หมายด้วยกานทุกคนเทิอันอี้เตินกดน้า